กราบบูชาหลวงพ่อเทียนกราบบูชาหลวงพ่อกำเขียนกราบขอโอกาสจากพระอาจารย์ทรงศิกลกราบขอโอกาสจากพระอาจารย์วรฒนชัยกราบขอโอกาสจากพระเทระนุเทระแล้วก็เพื่อนสาธ ม, มิกเจริญพรมัยังไม่ชีนะแล้วก็พวกเราบัสกุปาสิากาก็ ีใหม่เนาะพวกเราก็พากันมาวัดตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเป็นมงคลนะเป็นมงคลของชีวิต <c oughs> การมาในที่ที่ก็เรียกว่าเป็นที่ที่เหมาะสม <c oughs> มาในที่ที่เหมาะสมตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคล แต่ว่ามาในที่ที่เหมาะสมก็ยังไม่พอเนาะแล้วก็ต้องทำในสิ่งที่เหมาะสมต่อไปอีกด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในที่ที่ดีแล้วเนี่ยเราไม่ทำดีด้วยเนี่ยก็ไม่ได้นะนั่นนั่นคือตรงนี้สถานที่เนาะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นสถานที่ที่หลวงพ่อคำเขียนเนาะจะรูปอยู่ใหญ่ๆอยู่ข้างหลังพวกเรานะตรงนั้น ก็จะเป็นสถานที่ที่หลวงพ่อคำเฉียนเนี่ยตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะให้เป็นสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติธรรมตรงเนี้ย <c oughs> ก็พวกเรามากันเนาะพวกเราก็จะเหมือนกับว่าก็จะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเกิดว่าพวกเราได้เหมือนกับว่าได้ได้เหมือนกับได้เห็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหลายๆที่ ตรงที่นี้นะก็จะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าสัพพยะที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเราเพราะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ที่มีคำสอนเนาะที่ปฏิบัติได้ไม่ก็เรียกว่าปฏิบัติได้อย่าง จะเรียกว่าง่ายก็ได้จะเรียกว่าได้ผลเร็วก็ได้นะก็ตรงนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าหลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อคำเขียนก็ดีเนี่ยท่านก็เรียกว่าท่านปฏิบัติตอนนี้ท่านเป็นคลาวาสเหมือนอย่างพวกเรานี้แหละอย่างนี้หลวงพ่อเทียนปฏิบัติธรรมตอนที่เป็นคราวาสแล้วท่านก็เรียกว่า เข้าใจทำในตอนที่ท่านเป็นฆลาวาสเนาะแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็บวชบวชในตอนหลังเพราะท่านเห็นว่าเหมือนกับอยู่ในฆลาวาสแล้วเนี่ยก็ <c oughs> เ, เรียกว่า <c oughs> การพูดธรรมะณณนะนะตอนนั้นณนะเวลานั้นเนาะตั้งแต่ปีก่อนปี2500เนี่ยเหมือนกับเหมือนกับ จะเรียกมามันได้กว้างไม่ไม่ได้กว้างไม่ได้ลึกนะไม่ได้ทั้งกว้างไม่ได้ทั้งลึกเพราะฉะนั้นนั้นคือท่านก็คิดว่าในการบวชเนี่ยจะทำให้ท่านได้เผยแพร่ธรรมะเนี่ยไ ด, ได้ได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นท่านก็ถึงได้ตัดสินใจบวชในตอนหลังหลวงพ่อคำเขียนก็เหมือนกันหลวงพ่อคำเขียนก็ไปปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนเนาะ ท่านก็ปฏิบัติอยู่เดือนหนึ่งท่านก็เข้าใจธรรมเพราะเข้าใจธรรมท่านก็มีความรู้สึกว่าถ้าท่านบวชเนี่ยท่านก็จะเหมือนกับว่าน่าจะทำงานตรงนี้ได้ดีขึ้นและด้วยความตั้งใจนะของท่านตั้งแต่เหมือนกับตั้งแต่เด็กท่านก็ตั้งใจว่าถ้าท่านบวชเนี่ยท่านจะเป็นพระที่ดี ตรงเนี้ยมันความตั้งใจตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าทําให้ท่านมาสร้างที่นี่นะ น, นั่นคือตรงนี้เนี่ยพวกเราตั้งใจกันหรื อ, อยังก็ไม่รู้นะมาอยู่ที่นี่เนาะมากหน้าหลายตากันความตั้งใจของเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พาเราพาเราเดินตามความตั้งใจเมื่อกี้พระอาจารย์วาท่านชัยก็พาพวกเราสวดเนาะ มโนปุพังเขมรรมม้มาทำมามโนเสรษฐามโนทายมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสําเร็จแล้วที่ใจนะตรงเนี้ยเนาะความสําเร็จเนาะที่เกิดจากใจตรงนี้เนี่ยจะเป็นความสําเร็จที่ดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยให้พวกเราได้สังเกตกันนะว่าใจเนี่ยจะเป็นตัวนำนะั้นนั้นคือที่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเราจะมี วิธีการนนที่พวกเราเข้ามาพวกเราก็คงได้ฝึกสิ่งที่เราเรียกว่าเจริญสติกันใจเราไม่มีวิธีไหนที่จะเห็นนอกจากว่าเราจะใช้สติเป็นตัวเห็นเท่านั้นเองซึ่งพอพวกเรามาเริ่มทากรรมฐานกันสิ่งที่พวกเราต้องทำกันก็คือแบบว่าหัดเนะเาะเรียกว่า ที่จะใช้สติในการดูพวกเราเดินเข้ามาที่นี่พวกเราเดินทางมาที่นี่พวกเราก็ใช้ตากันตาปกติกันแต่พอเวลาที่เราพวกเรามาถึงที่นี่เนี่ยสิ่งที่พวกเราต้องทำกันก็คือหัดใช้สติสตินี่หลวงพ่อก็มีเขียนจะบอกว่าเป็นตาวิเศษวิเศษกว่าตาปกติอย่างหลวงพ่อเนาะตาก็เหมือนกับว่าไม่ปกติแล้วก็ต้องใส่แว่น แต่สติเนี่ยไม่เสียถ้าสติเสียเนี่ยเราจะได้มานั่งตรงนี้กันไหมไม่ได้มานั่งนะเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเนาะดีในระดับที่หลวงพ่อคเขียนบอกว่าเป็นตาพิเศษเพราะว่าเห็นในสิ่งที่ตานี้มองไม่เห็น พวกเราก็คงได้ได้ลองทดลองใช้เนาะใช่ไหมเมื่อกายเคลื่อนไหวเนาะมาใจมาเป็นผู้ที่คอยรับรู้เนาะวิธีการที่จะเอาใจมาคอยรับรู้การเคลื่อนไหวของกายเนี่ยทำยังไงก็ต้องใช้สตินะคอยดูเนาะเราก็จะได้เห็นนะว่าเอใจเนี่ยเข้ามาดูกายที่เคลื่อนไหวหรือเปล่าเนาะนะบางทีเราก็ เห็นว่าเออเขาก็ไม่ได้มาดูนะเพราะว่าวิธทีเขาก็เผลอเผลอไปกับความคิดบ้างเนาะมีไหมมีเนาะตรงเนี้ยพอเวลาที่ที่นี่ทำกรรมฐานเนาะเราก็จะเริ่มต้นกันอย่างนี้เริ่มต้นที่การอาศัยเขาเรียกว่ากายกัดใจเนาะเป็นนิมิตให้สติเนี่ยได้ทำงานํารมะเจริญสติก็ดีเนาะครับ ตรงนี้เป็นคำที่เหมือนกับเราก็เคยได้ยินกันมาคำว่าปฏิบัติธรรมก็ดีที่นี่คาว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยหมายถึงเราเนี่ยจะเจริญสติกันวิธีการของเราก็คือจเจริญสติกันหัดใช้สติบ่อยๆหัดใช้สติบ่อยๆนะพอหัดใช้สติบ่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็คล่องนะคล่องที่จะใช้สติตรงนี้คาว่าจเจริญสติก็หมายถึงอย่างนั้น นั่นนั่นคือตรงนี้นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่พวกเราอยู่ที่นี่กันก็ทําหน้าที่อย่างนี้กันหัดหัดใช้กันเราหัดใช้จนเคยชินเนาะก็เรียกว่าหัดใช้จนเป็นนิสัยเนี่ยเวลาที่พวกเราอยู่เ็าเรียกว่าในชีวิตประจำวันเราก็จะได้เอาสติเนี่ยเข้าไปใช้กับการกระทาของเรา อากาศเย็นนะขออภัยขยับปากขยับอะไรก็ไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดพวกเราเคยเคยนึกไหมว่าพวกเราเคยกินข้าวด้วยสติกันหรือเปล่าอะไรอย่างี้นะพวกเราเคยเดินด้วยสติกันหรือเปล่าพวกเราเคยแต่งตัวด้วยสติกันไหมพวกเราเคย ขึ้นรถลงเรือด้วยสติกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้ใช้สติกับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันนีก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆก็ <g ül> เคยได้ยินเนาะแบบว่าข้าติดคอตายนะ <g ül> เคยได้ยินว่าช้อนติดคอตายเกิด <g ül> จากอะไรผิดเป็นความผิดของช้อนหรือเปล่าเป็นความผิดของข้าหรือเปล่าแต่ว่าตรงนั้นอะ่ะหมายความว่าแล้วเข้าไปเกี่ยวข้อง กับการกินอาหารเนาะอยากไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าขาดสติในการกินอาหารจริงหลวงพ่อได้ยินครั้งแรกหลวงพ่อก็โอ้นะสมัยสมัยก่อนล้วก็เหมือนกับว่าข่าวสารมันก็ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้แพร่หลายมาอย่างทุกวันนี้นะได้ยินผ่านหนังสือพิมพ์เนาะจำได้ว่าตอนนั้นก็น่าจะเป็นอื ส0ปีที่แล้วได้ยินแบบว่ากินข้าวแล้วข้าวติดคอตายนะอย่างนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอย่างนี้นี่คือเขาเรียกว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้าวข้าวมันแข็งไปหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่ว่าเนื่องจากว่าการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยพอเราก็เรียกว่าขาดสติเนาะ อาจจะเป็นความยากนในการในการกินเป็นตัวนำอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาเดี๋ยวนี้เราก็พบเห็นเนาะว่ามีปัญหาต่างๆที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่ผิดเนาะการใช้ชีวิตที่ผิดคือหมายถึงการใช้ชีวิตที่ขาดสติไม่ว่าจะเป็นบนถนนก็ดีไม่ว่าจะเป็น ในชีวิตประจําวันก็ดีการกินการนอนตรงนเนี้ยเนาะพอขาดสติปุ๊บเนี่ยพวกเราก็จะพบว่ามันมีปัญหาต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนั่นก็คือตรงนี้เนี่ยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากไหนเนาะเริ่มต้นจากใจเนาะใจใจพอใจอยากเนี่ยใช่ไหมร่างกายก็ต้องเขาเรียกว่า ทำหน้าที่ตามใจอยากไปถ้าพวกเราได้สังเกตกันเนาะอย่างที่พวกเราเข้ามาที่นี่มาปฏิบัติธรรมกันพวกเราก็จะได้สังเกตความเป็นไปของกายความเป็นไปของใจเนี่ยเราก็จะได้เห็นเห็นตรงเนี้นะว่าเอสิ่งที่ชีวิตเราเคลื่อนไปทุกวันทุกวันตรงนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะเคลื่อนไปตามคําสั่งเนาะคำสั่งของคนอื่น เอาทำให้นั้นทำให้นี่อะไรต่างๆนานาเหล่านี้แต่บางทีเราเองเราก็เคยรู้สึกนะไม่อยากทำตามคำสั่งนั้นก็ไม่ทำไอ้ตัวที่ไม่อยากตัวนี้มันเป็นตัวสั่งมากกว่าตัวที่คนอื่นสั่งข้างนอกเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นเองนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่ใจอยากที่อยู่ข้างในลึกๆเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่กาหนดเรา กำหนดเรามากกว่าถ้าหากว่าเขาสั่งเนอะแล้วเราไม่อยากทําเนี่ยแรับรองได้เลยว่าเราก็ไม่ทํา <c oughs> จะทําก็ฝืนๆไม่เต็มที่อย่างเนี้ยอย่างนั้นนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะว่าถ้าพวกเราสังเกตดูเรื่องราวที่ร้ายๆที่เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยไม่ใช่มาเป็นเรื่องที่คนอื่นสั่ง ไม่ใช่แต่เป็นเรื่องที่ว่าใจตัวเรานี่แหละเป็นตัวสั่งนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฝึกใจของเราเนาะอืมน่ากลัวมากมากพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ได้บัญญัติตรงนี้ออกมาเลยเนาะว่าตรงเนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราต้องฝึกผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าการเจริญสติตรงนี้มันจะช่วยทําให้จิตใจของเราเนี่ยเขาเรียกว่า ได้รับการฝึกฝนเนาะจิตใจของเราทําไมมันต้องฝึกฝนเนาะเพราะเนื่องจากว่าเราใช้ชีวิตเนาะที่ผิดมาตั้งแต่เล็กเนาะจนโตเนี่ยจิตใจของเราก็เรียกว่าเดินตามความอยากเนี่ยจนกระทั่งมันกลายเป็นนิสัย <c oughs> เราอยากกินอยากนอนเนาะอยากอ่านหนังสืออยากดูหนังอยากฟังเพลงอ ย, อยากนั่นอยากนี่ถ้าหากว่าพวกเรานึกเนาะ ทั้งวันทั้งวันเนี่ยเราเดินตามความอยากทั้งวันวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเที่ยวอย่างเนี้ยอย่างนั้น น, น, นั้นนั้นคือประกอบขึ้นมาเป็นชีวิตของเรายี่สิบสาสปีเนี่ยโอ้เราเดินตามความอยากเยอะแยะไปหมดตรงเนี้ยจิตใจของเราก็ถูกฝึกฝนด้วยความอยากเนี่ยไปในตัวมันก็กลายเป็นก็เรียกว่า <c oughs> ก็เรียกว่าใจมันมีนิสัยไม่ดีนะ ใจมีนิสัยไม่ดีหลวงพ่อสังเกตนะหลวงพ่อสังเกตผู้ใหญ่หรือตัวเองเมื่อก่อนเนาะยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งอายุมากขึ้นยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยยิ่งตามใจตัวเองมากขึ้นยิ่งตามใจตัวเองมากขึ้นเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ทำงานกับกับคนหลายคนเนาะ อย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าอืมต้องเรียกว่าทุกคนเนาะต้องฟังและต้องทำตามเราทำให้ฟังเราไม่ทำตามเราเนี่ยผิดน่ากลัวมากมากาแต่ที่ว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือบอกปุ๊บเนี่ยต้องทำปั๊บนะ ถ้าไม่ทำเนี่ยเป็นเรื่องนั่นนั่นคือตรงเนี้ยฮว่ามันความที่เหมือนกับเราไม่ทันพิจารณาเนาะเรื่องราวต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยเราก็เหมือนกับใช้ใช้คำว่าลุแก่โทสะก็ได้นะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ที่น่ากลัวมากๆ นั่นนั่นคือตรงนี้การที่เรามาเจริญสติกันเนี่ยก็เพื่อที่ว่าดูแลเนาะก็เรียกว่าดูแล<ม>ดูแลกายนี้ดูแลใจนี้เราเกิดมาเนาะเราก็มีกายนี้มีใจนี้เนี่ยจะอยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนตายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะเอาเครื่องมืออันนี้เนี่ยที่อยู่กับเราตั้งแต่เกิดมาจนตายเนี่ยมาใช้ประโยชน์เนี่ย ไม่มีวิธีการอื่นนอกจากวิธีการเจริญสติเนาะแล้วก็เอาสติเนี่ยมาคอยก็เรียกว่าคอยดูแลมาคอยดูแลกายคอยดูแลใจพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องความไม่ทุกเนะในขณะที่ก็เรียกว่าคําสอนอย่างอื่นๆเนี่ยไม่ได้พูดถึงสิ่งนี้ พวกเราเองในชีวิตก็คำว่าไม่ทุกข์ก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินหลวงพ่อเองคนหนึ่งอ่ะสี่สิบปีหลวงพ่อไม่เคยได้ยินคำว่าไม่ทุกข์ไ ม, ไม่ไม่ใช่ไม่เคยได้ยินได้ยินนะแต่มันไม่เข้าหูเพราะว่าเนื่องจากว่าความสุขกับความทุกข์มันเด่นกว่าความสุขกับความทุกข์มันเด่นกว่าเพราะฉะนั้นคือเพราะมันเด่นกว่าใจแล้วมันก็ไปเกาะเกี่ยวเรา กับความสุขความทุกข์ตรงนั้นตรงไหนมีความสุขเราก็วิ่งไปแล้วเราก็พบว่าไม่ใช่พบนะไม่ไม่เคยเห็นเลยว่าความสุขมันอยู่เดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองมันก็กลายเป็นความทุกข์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนั่นคือเราก็ดิ้นรนนะพอตรงนี้ความสุขมันหายไปเราก็ไม่ทันดูว่าเอ้าวทำไมความสุขมันหายไปมันหายไปจากไหนอะไรยังไงความสุขมันเกิดขึ้นที่ไหนมันหายไปที่ไหนยังไงก็ไม่ได้สังเกต เพราะเนื่องจากว่าเราไม่มีสติที่จะคอยกำกับชีวิตเรานั่นนั่นคือตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่พอมาเจอหลวงพ่อคาเขียนเนี่ยโอ้ชีวิตเราสี่สิบปีน่ากลัวมากมากเนาะลุ้มลุมนดดอ น, ดอนมาได้ยังไงจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าลุ้มๆุ้มนดอนดอ น, นะคิดว่าโอ้ยเราแบบว่าชีวิตเราทำไมมีบุญอย่างนี้เนาะตอนนั้นก็คิดแบบนั้นเนาะอย่างนั้น เราก็อยู่ดีมีสุขนะ้ะไม่มีทุกโศกโรคภัยเลยตา น, นานาเหล่านี้ก็คิดได้ยังไงนะสี่สิบปีแบบนั้นนะน่ากลัวจริงๆนะไม่มีทุกโศกโรคภัยอย่างนี้นะไม่มีหงุดหงิดแล้วหงุดหงิดโอ้ต้องเรียกว่าทุกวินาทีนะมองซ้ายมองขวาคนนั้นก็ทําให้ถูกใจคนนี้ก็ทําไม่ถูกใจ เราไม่คิดว่าไอ้ความหงุดหงิดแบบ น, นี้มันเป็นความทุกข์นะอย่างนั้นเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะทำให้คนอื่นดีขึ้นเราคิดว่าเราจะทำให้การงานของเราดีขึ้นอะไรต่างๆนานาเหล่า น, า น, า น, า น, านี้ผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าหงุดหงิดเนี่ยไม่ถูกข์ใจอย่างเงี้ยนะหงุดหงิดนี่มันก็เป็นโทสะชนิดหนึ่งนะอย่างนั้นแล้วมันเป็นโทสะที่แบบว่าร้ายมากๆเลยตรงเนี้ย มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าพอเมลาที่เราใช้ชีวิตไม่ถูกทางไม่มีสติเป็นตัวนํามันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นปัญหาแต่พอเวลาที่เรามาเจริญสติโดวยวิธีการที่หลวงพ่อเทียนเนสอนเอาไว้หลวงพ่อคำเขียนเป็นลูกศิษย์ก็ได้รับทอดมาพวกเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคำเขียนเราก็ได้รับต่อมาปรากฏว่าเพียงแค่เราเริ่มต้นเนี่ยแบบว่า ยกมือสร้างจังหวะเนาะมีจังหวะเนี่ยเป็นตัวกากับนะเป็นตัวนิมิตนะอย่างี้หลวงพ่อพเทียนนะกำหนดให้การสร้างจังหวะเนี่ยการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นจังหวะเป็นครัง้งครั้งเป็นครัง้งครั้งเนี่ยก็ここเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการทำกรรมฐานเป็นเครื่องมือในการที่จะให้สติเนี่ยได้คอยก็เรียกว่าคอย ดูแลกายคอยดูแลใจเนาะนั่นนั้งคือตรงเนี้ยเวลาที่พวกเราสร้างจังหวะกัน14จังหวะเนี่ยให้พวกเราได้สังเกตเนาะจังหวะตัวนี้มันเร็วไปไหมจังหวะตรงนี้มันช้าไปไหมจังหวะตรงนี้เราพยายามมากไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะการที่เราสังเกตเนี่ยก็คือสังเกตด้วยสติเนาะสติเราจะรู้สึกเนาะช้าไหมเร็วไหม จังหวะเราก็เป็นแบบนี้เนาะจังหวะช้าจังหวะเร็วอย่างเงี้ยมันเป็นครั้งๆหรือเปล่าเนะี่ยในขณะที่เรายกมือขึ้นมาครั้งหนึ่งหยุดเนาะเคลื่อนมืออีกครั้งหนึง่งแล้วก็หยุดเคลื่อนอีกครั้งหนงึ่ ง, งแล้วก็หยุดเนี่ยเราทําแบบนั้นหรือเปล่าอนะไรเงี้ยเนาะอย่างนั้นสติเนี่ยจะเป็นคนคอยดูไม่ต้องให้ใครคอยคอยกำกับแนละ้วว่าถูกหรือผิดเราคอยใช้สติใช้ครั้งหนึง่งใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยใน14จังหวะเนี่ย ถ้าหากว่าเราคอยเอาสติดูครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้ ง, แ ต, งแต่ละครั้งเนี่ยเมื่อเราหยดสตังใส่กระปุกทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งแป๊บเดียวเดี๋ยวกระปุกก็เต็มเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่หนวมพ่อบอกว่าง่ายแต่จะว่ายากก็ยากตรงที่ว่าพอเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยพอเราทำไปตามความเคยชินเนี่ยเขาเรียกว่า มันจะเป็นอัตโนมัติพอคำว่าอัตโนมัติเนี่ยมันเหมือนเครื่องจักรเนาะที่มันไม่มีจิตใจกายก็ทำไปใจไม่ทำด้วยนั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยกรรมฐานที่นี่เนี่ยก็จะบอกว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวเนี่ยเอาใจมาทำด้วยนะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เวลาที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องสังเกตนะเอาสติเนี่ยคอยสังเกตว่าใจเราเนี่ยมาทำงานกับกายหรือเปล่า เราอาจจะเคยว่าคนอื่นนะแบบนี่ทำไมเนาะแบบว่าตัวอยู่ตรงนี้ใจอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างนั้นเราอาจจะเคยต่อว่าคนอื่นเขาแต่ว่าเราลองสังเกตดูตัวเราเนี่ยแบบว่าเราทำอะไรเนี่ยและใจลอยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่นี่นะทำกรรมฐานนะดวยวิธีการนี้เนี่ยเราจะพบว่าโอ้วั น, ว, นวันหนึ่งนี่ใจลอยนี้ไม่รู้กี่พันครั้งนะ แป๊บเดียวใจลอยอีกแล้วแป๊บเดียวใจลอยอีกแล้วแป๊บเดียวใจลอยอีกแล้วตรงนี้ไม่ใช่ว่าเป็นความผิดนะที่เราใจลอยแต่ว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นว่าเอา้าเราเพิ่งเข้ามาวัดนี้ได้วันสองวันเนี่ยทำไมสติเราทำงานได้เยอะขนาดนี้นั่ น, นันคือตรงนี้นะว่านี่คือสิ่งที่เ็าเรียกว่าเป็นอนิสงส์นะที่ครูบาอาจารย์เนี่ย ได้เหมือนกับท่านเองท่า น, นก็ได้สรุปบทเรียนเอาไว้ให้พวกเราเนี่ยเดินตามการปฏิบัติธรรมก่อนที่พวกเราจะเดินเข้ามาที่วัดนี้มันอาจจะเป็นเรื่องลึกลับนะแต่ว่าหมวงพ่อเฉียนบอกว่ามันเป็นเรื่องลึกซึ้งต่างหากมันไม่ใช่เรื่องลึกลับมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังว่าโอ้การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันใช้เพียงแค่กายเนาะ ใช้เพียงแค่ใจนะและใช้เพียงแค่สติสามอย่างนะไม่ต้องไปซื้อไปหานะไม่ต้องรอห้างเปิดไม่ต้องอะไรต่างๆอยู่กับเราตลอดเวลานะนั่น้นคือตรงเนี้นะว่าเรามีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าจนเย็นนะอย่างเงี้ยเราไม่เคยเอามาใช้แต่ครูบาอาจารย์บอกว่าลองเอามาใช้ดูสิอย่างเงี้ยปรากฏว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานึกนะเราอาศัยรูปแบบเนาะที่ที่นี่ สอนอก็คือรูปแบบสิบีจังหวะในการเคลื่อนไหวมือแล้วก็รูปแบบของการเดินจงกรมเนี่ยมือกับเท้าแขนกขับขาของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเคลื่อนไหวทั้งวันแต่ว่าเราไม่เคยเอามาใช้ประโยชน์ปรากฏว่าพอเราเอาใช้มาไปใช้เป็นเครื่องมือในการทํากรรมฐานเนี่ยเมื่อไหรก็ตามที่มือแขนเนี่ยเขาเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ก็ตามที่ขาเท้าเขาเคลื่อนไหวเนี่ย เราเหยิบออกมาใช้เป็นเครื่องมือในการเจริญสติเนี่ยอุค์ประกอว่าเราจะเจริญสติได้ทั้งวันวันหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงเนาะเราเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งรู้สึกตัวครั้งหนึ่งเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งรู้สึกตัวครั้งหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเวลาของความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะไปเบียดเวลาของความอยากเพราะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้เราก็เดินตามความอยากเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเราเดินกับความรู้สึกตัวความอยากหายไปไหนก็ไม่รู้นะ ตรงนั้นความคิดที่เคยมีปัญหาเนี่ยใช่ไหมอย่างนั้นก็ถูกกากับเนาะด้วยกรรมฐานที่บอกว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้เมื่อรู้ว่าคิดเนาะก็กลับมาอยู่การเคลื่อนไหวก่อนเมื่อก่อนนอนไม่หลับทำยังไงเนาะทำยังไงเนาะจะหยุดความคิดได้ไม่เคยทาได้เลยเนาะใช่ไหมอย่างเนี้ยทำไม่ได้ก็ทำไงนอนตาค้างไปกับความคิดนอนอย่างเนี้ย แต่ตอนนี้ง่ายนิดเดียวเนาะใช่ไหมทําไงเอาใจมาอยู่กับความเคลื่อนไหวเดี๋ยวเราก็มีความเคลื่อนไหวอีกครั้งนึงเดี๋ยวเราก็มีความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึง่งเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนำมาชีวิตเราเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลย <c oughs> ง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นทันทีเลยเพราะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนาะเราเคยเดินตามความอยากไต้ไต่ไต่ไต่ไต่ตตตตไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกตัวหรือมีสติเนี่ยเคียงข้างเราตลอดเวลา เราคิดดูนะว่าชีวิตเราเนาะเดินคู่ไปกับสติเนี่ยกับชีวิตเราเนี่ยเดินตามความอยากไปเนี่ยอย่างไหนจะดีกว่ากันอันนั้นนันคือตรงนี้นะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นของขวัญปีใหม่เนาะที่พวกเราเนี่ยได้เหมือนกับจัดการให้กับตัวเองเราอาจจะได้ของขวัญปีใหม่เยอะแยะไปหมดเลยเนาะจากหลายๆคน อาจจะเป็นดินส้อปากากระเป๋ารองเท้าอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยแต่ว่าของพวกนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปสูญไปแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เรากําลังให้กับตัวเองเนี่ยก็คือแบบว่ให้การเขาเรียกว่าให้ชีวิตเรามีสติคอยดูแลให้ชีวิตเรามีสติเคียงข้างไปตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยได้อาศัยนะเขาเรียกว่า กระบวนการนี้ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีสติเป็นนิสัยเนาะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าชีวิตเราจะเดินบนเส้นทางที่ไม่บกวนนะเมื่อกี้นะในบทสวดที่พระอาจารย์พระท่านชัยพาสวดเนี่ย <c oughs> มีคำอยู่คำหนึ่งไม่ทัน <c oughs> ไม่ไม่รู้ว่าเราได้ทันสังเกตหรือเปล่ปา <c oughs> เพราะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อ จึงตกเป็นทาตของตัณหาตรงเนี้ให้พวกเราได้สังเกตนะว่าชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าในเวลาที่ผ่านมาหรือว่าต่อต่อไปก็ดีแต่ว่าสิ่งที่จะคอยสังเกตเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าสติและถ้าหากว่าเราเอาสติมาเนี่ยชีวิตเราจะไม่ตกเป็นทาตของตัณหาเราจะรู้จักอิ่มรู้จักเบือ่อและการรู้จักอิ่มรู้จักเบื่อเนี่ยจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าสงบเย็น นัะนั่นคือตรงนี้เนี่ยหลพ่อก็อนุโมทนาเนาะกับความตั้งใจดีของพวกเราทุกคนแลน้วหลพ่อก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้เห็นสติเป็นเพื่อนเนาะแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยได้เจริญสติให้ชีวิตของเราเนี่ยมีสติแนบชีวิตของเราไปปลายทางของชีวิตเราก็จะเป็นความสงบเย็นเนาะด้วยกันทุกคนเลย